สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนิติกรคนชอบเล่าคลิปที่ผ่านมาเราไปเที่ยวป่ากันคลิปนี้เราก็เข้าป่ากันต่ออีกสักคลิปนะครับโดยการเข้าป่าครั้งนี้เราจะไปกันกับเรื่องราวของคุณสุรชาติเทียนแก้วพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเขาไปจัดได้นํานักธรณีวิทยาสํารวจพื้นที่ของผืนป่าแถบโคกตรวจเพื่อ น, นําดินไปวิจัยหาค่าของชุดดินต่อไป แต่ว่าความชำนาญในพื้นที่บางแห่งไม่ช่ำชองพอจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากตุเจยพรานเจ้าถิ่นแต่ก็ต้องเสียเวลาไปนาน 3-4 วัน ก, กว่าจะเจอตัวได้เนื่องจากพรานเท่าได้รับการว่าจ้างจากคณะหนุ่มสาวชาวกรุงชุดหนึ่งผู้พิสมัยป่าแห้งแลง้งอันกระดานแถบถิ่นอีสานใต้อันห่างไกลจากแดนสีวิไลที่คุ้นเคยจำเจยอยู่ทุกเมื่อเช้าวันก่อนพรุค่ำวันนั้นขณะทุกคนกำลังพักผ่อนตามอิยบทหลังอาหารเย็น ร่างกระรองเล็กแกรนในชุดหม้อห่มสัมโสมผ้าของม้าเคียนหัวก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือลำห้วยบริเวณที่ตั้งเต็นท์พอเห็นข้าพเจ้าขณะนั่งอัดบุหรีเป็นขอนไม้ก็เดินทางขาเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนใครตรงรีเข้ามานั่างยอ ง, ย, องยกมือพนมไหวทุ่มหัวด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มออกสำเนียงท้องถิ่นพิลึกพิลึ ก, ลกสวัสดีนะครับนายสบายดีบอกครับอืมสบายดีข้าพเจ้ายิ้มพงหนกหัวรับและย้อนถามด้วยความเป็นห่วงเช่นกัน แล้วตาล่ะเป็นไงบ้างไม่เจอสนานสบายดีครับนายล้วได้จ้างชาวกรุงกลับแล้วรือไอเม็กับไอไม้ไปส่งที่สถานีรถไฟไอปานบอกนายเรยงหาด่วนจะเจอเลยรีบมาข้าพเจ้าได้แนะนำให้ทุกคนในคณะได้รู้จักพรานเท่าเพื่อร่วมงานคนสำคัญยกเว้นลูกหักทั้งสี่ที่รู้จักคุ้นเคยก่อนหน้าแล้วจะเจยยกมือไหว้กราดรวดเดียวจะเจยสวัสดีเจ้านายทุกๆคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี ทุกคนรู้สึกขบขันกับท่าทางประหลดประลาดพิลึกพิลัน้นและสำเนียงปแปลงแปลงชอบกลชื่อเจยแปลว่าอะไรหนึ่งในสามสุภาพสตรีร้องถ า, ถามถึงที่มาของชื่อข้าพเจ้าจิงตอบทันทีว่าเป็นภาษาท้องถิ่นครับคุณนศเป็นลักษณะของกิจกรรมระหว่างชายหญิงหมายเหตุขออนุญาตเปลี่ยนคำนิดนึงครับโดยใช้คำว่าเจยแทนหญิงสาวหนึงกับอึ้องขณะทุกคนพากันหัวเราะอ ย, ย่างขบขันและนึกเวทนาเจ้าของชื่อว่าใครช่างตั้งชื่อได้สรรพดลนัก แต่จะตัวกลับหัวเราะกันไปกับเขาด้วยยังไม่เห็นว่าน่าอายตรงไหนเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกคนในท้องถิ่นอีสานใต้มักตั้งชื่อออกจากสับ ป, ปรดรดอยู่บ้างในว่าเป็นการแก้เคล็ดอะไรสักอย่างเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้แต่เจอหันระบอกข่าวร้ายที่ทําเอาข้าพเจ้าถึงกับนิ่งอึ้งไปชั่วขณะนายครับนายรู้ข่าวไอ้บัวตายหรือ ย, ยังในบัวเป็นหนึ่งในคณะลูกหาเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้นําพาคณะนายทหารของกรมสรรพาวุธออกติดตามอาวุธที่ถูกลักขโมยไปเมื่อปีที่แล้วในเขตเมืองการฯในบัวเป็นอะไรตาย ข้าพเจ้าถามเสียงขื่นเศร้าถูกผีหลังกลวงหักคอตายน้อยทุกคนเงียบกริบเหมือนนัดหมายกันไว้บรรยากาศดูเหมือนจะวังเวง ท, งทั้งที่ยังหัวค่ําอยู่ลมเย็นๆโชยพัดผ่านได้ยินแต่เสียงประทุของฟืนไฟที่ลูกหอบเชื่อกันก่ออะไรคือผีหลังกลวงหญิงสาววิคนที่เยาวไว้กว่าส่งเสียงถามทําลายความเงียบขึ้นใช้แหวกกลางคนที่อยู่ใกล้ๆจึงอธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่ผีจริงๆหรอกแต่เป็นคนเหมือนเราอยู่ละ แต่หลังกลวงเป็นเหมือนกระเป๋าข้างหลังใส่เข้าของได้ที่เขาเรียกว่าผีพระชอบทําตัวลึวกลับมีคบคาสมาคมกับมนุษย์ทํานองเดียวกับพวกผีต้องเหลืองนั่นแหละหญิงสาวพยักหน้ายอย่างงงงเหมือนเข้าใจเหมือนไม่เข้าใจชายหนุ่มอีกคนได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นว่าปกติไอ้พวกผีหลังกลวงมีถิ่นฐานอาศัยอยู่ทางใต้ไม่ใช่หรือครับหัวหน้าแล้วทาไมถึงมาปรากฏอยู่ที่ภาคอีสานได้ล่ะครับนั่นน่ะสิผมก็ ง, งงอยู่เหมือนกันหรือคุณคําพันธ์ว่าไงคุณวิรุษนักธรณีวิทยาหัวนหน้าคณะในครั้งนี้หันมาขอ ข้าพเจ้าอัดขอนบรีเข้าปอดลึกๆก่อนจะกล่าว บ, บอกเสียงเรียบๆเนอ บ, บ, บช้ายอย่างทุ่นคิดอย่างที่ทุกคนทราบนั่นแหละครับโดยปกติพวกนี้จะอาศัยยุ่แถบภาคใต้ของไทยเราแต่ก็เคยปรากฏข่าวอยู่เหมือนกันว่ามีคนพบเจออยู่ทุกทุกภาค ข, ของไทยเราเช่นกันแต่นั้นๆครั้งจะได้ข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากน้ำมือของพวกผีหลังกลวงและคุณกำพันเคยเจอผงนี้บ้างไหมแบบตัวเป็นๆรูปร่างหน้าตาภาษาที่ใช้สื่อสารกันนะ่ะตลอดถึงนิสยัยเจโคลเป็นยังไงดูร้ายอย่างที่เขาว่าไหม วิรุษยิงคำถามรวดเดียวแบบละเอียดเย็บก็ <c oughs> เคยอยู่4ีห้าครั้งรูปร่างหน้าตาก็ไม่ต่างจากคนเรามากนะักแต่ผมออกติดหยิกหยอยกระเซิร์กกระเซิงโหนแก้มสูงตาดําสนิทนิ่งลึกเข้าไปในเบ้าปากแปลเม้มยาวโครงร่างจะป้านหนาอยู่สักหน่อยนิสัยเซคอนิ่งเงียบไม่มากเรื่องส่วนภาษาที่พูดผมไม่ชํนานาญต้องจะเจอเขาถานัดนักละข้าพเจ้าอาธิบายแล้วก็โบยใบายไปทางตะเจอพรานชรากระแอมขันรับอย่างรู้งานแต่ไม่ไวยแสงแต่เป็นถ่อมตัว แต่เจกัพ่อรู้อยู่บ้างดอกเด้อนายอย่างที่นายว่านั่นแหละไอ้ผู้ผีหลังกลวงนี้นิสัยใสยคอมันเงียบพิ่ล็กแต่อย่างเนื่งที่นานับถือผูกมันจริงๆก็เรื่องสัจจะนี่แหละนายหลงผูกมันได้รับปากอะไรใครลแล้วล่ะก็มันต้องทำให้ได้ขณะเดียวกันใครรับปากมันแล้วก็ต้องทําให้ได้เช่นกันผิดสัญญาไม่ได้ไม่งั้นมันเอาทั้งตายอย่างไอ้บัวเด้อครับนายความเงียบสงัดเข้ามาปกคลุมอีกครั้งหนึ่งอากาศเริ่มเย็นน้าค้างก็เริ่มลงในบัวตายยังไงข้าพเจ้าถามเรียบ ครางชราก็บอกเล่าเรื่องราวอย่างเศร้าเมื่อ3เดือนก่อนไ อ, บอ้บัวไปเจอไอ้ผีหลังกลวงออกจากป่ามาหาข่าวกินประกอบกับไ อ, บอ้บัวจะเอาเข่าวสารไปฝากญาติฝังขมิน้นเลวานผูกมันได้ช่วยต้ำข่าวเปลือกโดยสัญญาว่าจะแบ่งข่าวสารที่ต้ำได้ให้ครึง่งนึงข่าวเปลือกตั้งครึ่งเกวียนผูกมันช่วยกันต้ำตั้งหลายคืนกว่าจะแล้วเสร็จก่อนแบ่งให้ผูกมันกลับแอบซ่อนไว้ผูกมันทวงถามไ อ, บอ้บัวไม่ยอมรับยืนยันเถ่านั้น เช้าวันต่อมาชาวบ้านก็พบศพไอบัวถู ก, ากขาขอต้อนาถ้าที่นอนในเรือนทุกคนนิ่งเงียบรับฟังเรื่องราวอันเศร้าส้อยด้วยความรู้สึกที่สลดหดหู่ใจยังบอกไม่ถูก อ, อ้อลืมไปเลยตากินข้าวมาหรื อ, อยังเหมือนนึกขึ้นมาได้ข้าพเจ้าพร่งทําลายความเงียบขณะทุกคนกำลังตกอยู่ในอารมณ์แห่งความหดหู่ต่อชะตากรรมของไอบัวยังเลยเดินหน้ายิแต่เจ้หัวร้อยแห้งๆอารามรีบอยากเจอหน่ยแต่เจเลยลืมไปเลย ข้าพเจ้าร้องถามเจ้าเอกหัวหน้าลูกหาบก็ได้ความว่าเข้ากับลายแห้งยังเหลืออยู่จึงบอกให้แต่เจยไปกินก่อนค่อยคุยธุระกันแต่เจยห์หาไปสักพักก็กลับมาด้วยหน้าตาและอารมณ์ที่แจ่มใสขึ้นหลังจากที่ข้าพเจ้ากลืนนำ้ำถึงที่มาที่ไปในครั้งนี้ตอนหนึ่งได้กล่าวขึ้นว่ายัางเหลือพื้นที่อีกไม่กี่แห่งที่คณะเจ้าหนายยังไม่ได้ไปสำรวจแต่ฉันเองก็ไม่เคยได้เข้าไปถึงจึงให้คนไปตามตามมาช่วยมันเป็นงานของแผ่นดินจึงต้องรบกวนตาหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรดอกเด้นนาย นายเรียกทตเจอเด็ตลอดเวลาแต่เจอยินดีได้านายว่าแต่นะจะให้ตะเจยพาไปที่ไหนหรือครับข้าพเจ้าหยิบแผนที่ออกมาคลี่แล้วใช้ไฟฉายส่องพร้อมกับชี้จุดที่จะไปสองสามแห่งตาเจยทําความเข้าใจกับแผนที่ชั่วขณะก็พยักหน้างึงเอย่างเข้าใจตาเจยเคยผ่านอยู่บ่อยไปลงไต่ไปสักหนึ่งวันเด้อทึ้งที่นี่ยังมีกลุ่มคนชาวกุยอาศัยอยู่ไม่นานมานี้เองยังมีที่ไหนอีกไม่นายที่จะให้ตะเจยพาไปแค่นี้เลยตาเสร็จแล้วก็กลับกัน ปัญหาก็เรื่องภาษาเท่านั้นแหะตาข้าพเจ้าบอกแกให้ห่วงได้นนายเรื่องน่านแตระวังหน่อยกระเรืองเสื้อเรื่องมีแต่คนขังชุ่มและดูเอาการพระทือเป็นจุดศูนย์กลางก็ ว, ว่าได้เมื่อพูดถึงสัตว์ ร, ร้ายสามสาวก็ขยับตัวทําเสียงตื่นมันเคยกินคนไหมแต่ <c oughs> เจย์หัวเราะอย่างนึกขันต่อไปว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวเด็กเด้นหน้ายิงมไม่ไปทำอันตรายเราหรอกถ้าเราไม่ไปทํามันก่อนแต่เจย์ขอรับรองว่านหนายิงและทุกๆคนจะปลอดภัย แถวนี้แต่เจเดินจนพรุนจนแทบจะหลับตาเดินอย่างไดเด้นน้อยห น, น่อยตาข้าพเจ้าทวงไม่เห็นว่าแตเจอชยจะคุยตะเลิดเกินควรแต่เจเหมือนจะรู้ตัวยกมือไหวทุ่มหัวหัวเราะแก้เกลียว <c oughs> แต่เจก็โทษเจ้าไหนาทุกๆคนได้ครับอารมณ์มันพับไปเฮ่เ <c> ฮ <oughs> แล้วก่อนที่ใครจะพูดหรือทําอะไรเจ้าเอกหวัวหนลูกหาปก็เดินขอมตัวมานั่งสุดเข่าอยู่เบื้องหน้าข้าพาเจ้าพร้อมรายงานข่าวเบาๆพอรีเยน็นน้อยข้างนอกมีใครไม่รู้สอคนมาขอพบน้อย ข้าพเจ้านิ่งนึกอยู่ชั่วครู่การมาเที่ยวนี้มีคนรู้จักแวะมาเยี่ยมเยียนอยู่นับ4ีหรายแต่ทุกรายมักมาตอนกลางวันครั้งนี้มาตอนกลางคืนใครกันข้าพเจ้าขอตัวคุณวิรุษและทุกคนออกไปพบแขกผู้มาเยือนย้ำวิการว่าเป็นใครพร้อมเชิญชวนต่อเจยตามไปด้วยแสงไฟจากกองฟืนที่ลุกโชนส่องให้เห็นอคันตุ ก, กะ2คนที่ยืนอยู่ในการดูแลของลูกหาบทั้ง2ยืนห่างกองไฟร่วมว่าไม่เห็นข้าพเจ้าจึงหันมาพร้อมกัน จากการสังเกตของขุนพเจ้าเห็นทั้งสองหนึ่งไว้กลางคนหนึ่งหนุ่มชะกันเสื้อผ้าที่สวมใส่ค่อนข้างจะมอมแมมทั้งสองอยู่ในสภาพที่ดูอิดโรยทั้งสองยกมือไหวใช้ไว้กลางค้นกล่าวถามด้วยสิ่งที่แหบโหยเหมือนสิ้นแรงสวัสดีครับใช่คุณคํำพันไหมครับใช่ครับขุนพเจ้ายกมือไหวรับตอบไม่ทราบว่าคุณเป็นใครหรือครับไปไงมาไงครับเด็กๆตื่นๆเช่นนี้มีอะไรให้ช่วยไหมครับครับผมอยากรบกวนคุณคํำพันขออาศัยด้วยสักคืนพรุ่งนี้จะออกแต่เช้า อขอโทษด้วยครับผมลืมแนะนําตัวไปผมชื่อประสิทธิ์นี่สมชายหลานชายผมผมกับหลานชายสองคนมาเที่ยวป่าและหลงทางกับคณะเมื่อ4ี่ห้าวันก่อนพอดีเมื่อตอนเย็นเจอชาวบ้านบอกว่าคุณคำพันผ่านมาทั้งนี้เลยดันต้นมาหาจะขออาศัยหลับนอนสักคืนไม่ทราบว่าจะรบกวนคุณคํำพันและทุกคนไหมครับข้าพเจ้าสังเกตลักษณะแล้วคงเป็นชาวเมืองทั้งคําพูดคําจาและลักษณะท่าทางบ่งบอกถึงความเป็นคนมีการศึกษาจึงตอบไปว่าอ๋อไม่มีปัญหาครับ ว่าแต่ทานข้าวกันมาหรือยังข้าพเจ้าถามไปทั้งสองหันไปสบตากันประสิทธิ์หันมายิ้มแห้งๆยังเลยครับข้าพเจ้ารีบหันไปสั่งเจ้าเอกให้ช่วยกันหุงหาข้าวปลาให้แขกผู้หลุมทางทั้งสองและพามาแนะนำให้ทั้งหมดรู้จักจะปากคําทั้งสองได้ความว่ามากับคณะทัวร์ผ้ป่าแล้วชักชวนกันเข้ามาเที่ยวป่าแต่ทั้งสองเกิดแตกกลุ่มหาทางกลับไม่เจอจึงรอนแรมไปเรื่อยเพื่อหาทางออกประทังชีวิตด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนเมื่อตอนเย็นมาเจอชาวบ้านป่า บอกให้ติดตามคณะของข้าพเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลืออาหาทั้งออกจนค่ามืดดึกเดินถึงตามมาทันข้าพเจ้าเลยบอกว่ายังติดธุระไม่อาจไปส่งได้ต้องรออีกสอมวันประสิทธิ์เลยขอร้องว่าถ้าอย่างนั้นผมกับหลานขอรบกวนคนคำพันและทุกคนอีกครั้งได้ไหมครับขอติดตามทุกคนจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจผมขอรับรองว่าจะไม่เป็นตัวถ่วงและจะช่วยงานในครั้งนี้ของพวกคุณเท่าที่จะทําได้ได้ไหมครับประสิทธิ์หันหน้ามองทุกคนอ้อนวอนทั้งน้ําเสียงและสายตา หลายหลายคนสนับสนุนด้วยมนุษยธรรมคุณวิรุษในฐานะหัวหน้าคณะหันมาขอความเห็นข้าพเจ้าคุณกำพันว่างไงให้เข้าไปกับเราด้วยได้ไหมเพราะอีกมีกี่วันเราก็กลับกันแล้วอีกอย่างให้เขากลับไปตาลำลาพังอาจจะหลงทางและเป็นอันตรายได้ข้าพเจ้านิ่งคิดอยู่ชั่วขณะก่อนจะบอกอย่างครุ่นคิดเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เคยตัดสินใจอีกทีบางทีอาจจะให้ลูกหับสักคนพากลับก่อนทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยเป็นอันว่าตกลงตามนั้น ลูกห่าคนหนึ่งมาบอกว่ากับข้าพร้อมแล้วข้าพเจ้าจึงให้ทั้งสองไปรับประทานและบอกลูกห่าไปช่วยดูแลเรื่องที่หลับที่นอนส่วนข้าพเจ้าลุกออกมายืนสุบุรีผ่อนคลายอารมณ์ที่คนต้นไม้ใหญ่ริมห้วยรับลมเย็นยามดึกสมองก็ครุ่นคิดไปเรื่ อ, อยๆถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เย็นมเนรู้สึกติดขัดและอารมณ์ไม่ล้วงอย่างไรบอกไม่ถูกขณะครุ่นคิดเป็นเพลินแต่เจยไม่ทราบว่ายงมาจากข้างหลังแต่เมื่อไรเดินขึ้นหน้ามากระซิบถามเบาๆขึ้นว่า นายรู้สึกแปลกไหมไอ้สองคนที่หลงทางมาหนาแปลกยังไงมากับทัวาป่าและเที่ยวป่ายังไงปื้นผาหนาไม้อยังกับจะไปรบทัพจับสึกแต่เจอว่ามันปแปลกๆเด้อนายเด้อข้าพเจ้าอัดควันบุหรี่เข้าปอดลึกแล้ว <c oughs> จะแปลกอะไรมากับพ้าปา่าก็อยากจะเที่ยวป่ายิงสัตว์ยิงสั ง, สงไปตามเรื่องของคนอยากเที่ยวป่าเป็นธรรมดาดูแล้วมันจะไม่ธรรมดาสิหน่ายดูไอ้เจ้าล้านชายมันสิหนาตื่นๆชอบก้น เดี๋มองรอบป่าหลอกแหลกหลอกแหลกยังกระแวังอะไรสักอย่างงั่นเหละนายข้าพเจ้าเองก็เห็นถึงความผิดปกติเช่นแต่เจยเชื่อว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ลุงหลานคู่นี้ปิดบังและแอบแฝงไม่ให้พวกเรารู้ตาตื่นในเอกและพวกให้ระวังด้วยคืนนี้อาจไม่มีอะไรก็ได้แต่ต้องคอยระวังเป็นพิเศษสําหรับคืนนี้ข้าพเจ้าบอกแกครับนายแต่เจยรับคําแล้วก็เงียบหายไปอย่างเงียบกริบเช่นขามา ข้าพเจ้าอดบุรีให้สุดท้ายลงปอดก่อนจะเอนตัวลงนอนใต้คนต้นไม้ใหญ่ก่อไดไรเฟิลประจํากายอย่างเตรียมพร้อมเช่นเคยพยายามข่มตาหลับขณะอากาศภายนอกรู้สึกเย็นเฉียบต้องลุกมาเติมดุ้นฟืนท่อนใหญ่แล้วเอนตัวข่มตาข่มใจให้หลับต่อไม่รู้ว่าเผลอหลับไปนานเท่าใดไม่อาจรู้ได้มารู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นอีกทีก็เพราะได้ยินเสียงเอะอะวยไว้ดังลัน่นและปอง ป่องป่องป่องป่องป่องเสียงปืนที่ดังกึกก้องสนั่นหวั่นไหวไปทั้งลำห้วยและราวป่าโดยรอบตามมาด้วยเสียงร้องอดโอยดังหยหวัอย่างสุดยดสยองที่แสงออกถึงความเจ็บปวดแสนสาหาัสและคนหนีดีฟอว์ข้าพเจ้าได้ผลทลึงพรวดขึ้นทันควันก่อนสิ้นเสียงปืนสามนัดสุดท้ายกระชากลูกเรือส่งกระสุนเข้ารังเพลิงพร้อมทันพุ่งทะ ย, ยานพลวดไปสู่ต้นเสียงทันควันไม่ไปถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นถึงความโกลุหุ่นอลามาน ลูกหาทั้ง4คุณวิรุษและลูกน้องอีกสองคนกำลังรายล้อมมุงดูใครคนหนึ่งอยู่ในวงขณะส่งเสียงจอแจฟัง ไ, ไปในศัพท์เกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าส่งเสียงตะโกนถามก้องก่อนไปถึงสิงเจ้าเอกร้องตอบมาว่าไอ้สมชายน้อยไอ้สมชายตายแล้วข้าพเจ้ารู้สึกใจหายแวบและยิ่งตกตะลึงต่อภาพที่ปรากฏ ต, ต่อหน้าแสงไฟที่ลุกโชนจากการสุมฟืนขึ้นและไฟฉายที่ส่องกราด บนพื้นที่ถูกราล้อมคุณประสิทธิ์สุดกอดร่างที่โชกเลือดและแน่นิ่งของหลาชายส่งเสียงอึกอักในลําคอฟังไม่ได้สับเบริเวณใบหน้าของสมชายแหลกเละมันถูกของแข็งทุบทําลายทุกคนรู้สึกเสียสยองต่อภาพที่ปรากฏตรงหน้าโดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้ง3ถึงกับถอยออกไปเซ่ออื่นอยู่ห่างๆข้าพเจ้าสุดหลงนั่งข้างๆคุณประสิทธิ์ทถามเจ้าชาวว่าเกิดอะไรขึ้นใครทําร้ายสมชายประสิทธิ์ค่อยๆเงยหน้าด้วยน้ําตาที่คลอเบ้า กล่าวสิ่งเศร้าบนสะอื้นทำมาทุกคนถึงกับขนลุกชันอย่างพรั่นพรึงว่าอผีหลังกลวงเหมัอนต้องเหมนต์สะกดทุกคนนิ่งเงียบเหมือนหยุดลมหายใจปากเขาล้ำเนาไพรยาำดึกดืนก็พลอยนิ่งสนิทไรวิแววของสิ่งมีชีวิตใดๆไปด้วยเป็นไปได้อย่างไรเพิ่งคุยเรื่องผีหลังกลวงเมื่อหัวค่ำพอตกดึกกลับเกิดเหตุร้ายโดยไม่คาดหมายและก่อนที่ใครจะทันคิดทําอะไรสิงโตเจย์ก็ดังมาแววแววนายครับนายทางหนีเด้วยครับนาย ข้าพเจ้ารีบผลผลันวิ่งไปตามเสียงประมาณ20กว่าเห็นจะได้ใต้คนไม้ที่จะเจยยืนอยู่ปรากฏร่างร่างหนึ่งนอนหายใจรวยรินดวงตาในเบ้าลึกกระพริบเปิดเปิดปิดปิดจากแสงไฟฉายของเตเจล่ะข้าพเจ้าแสงไฟฉายส่องสว่างให้เห็นถึงร่างที่โชกเลือดคุณวิรุษเล็กอีกหลายคนทยอยตามมารายล้อมสอบถามกันเซงแซ่นี่ใครไม่ใช่พวกเรานี่นี่แหละเนื้อครับเจ้านายไอ้ผีล่างกรวงเตเจร้องบอกอ ทุกคนถึงกับอุทานอกไม้ยังตกใจผากันถอยออกห่างชายที่นอนตาเปริอบเือบเลือดทะลักออกจากปากจมูกและบาดแผลตามร่างกายจะร้อยรูกระสุนนับ4ีห้ารูมองตาเปลืบเปลืบชั่วครู่ก็เกิดอาการสะดุ้งเฮือกตาเบิกโพลงแล้วแน่นิ่งไปชั่วครู่ใหญ่ๆข้าพเจ้าจึงให้ตะเจอช่วยพลิกร่างให้นอนคว่ำก็เห็นหลังนูนจึงแกะเสื้อออกปรากฏว่าข้างหลังมีลักษณะเป็นเบ้ากลวงเหมือนกระเป๋า แผ่นหนังที่ติดด้านในปรากฏเป็นซีซีของซิโครงมนุษย์ดีๆนี่เองกว่าจะจัดการหลายสิ่งหลายอย่างให้เข้าที่ก็ใช้เวลาร่วมชั่วโมงในที่สุดก็สรุปเหตุการณ์สยองในค่ำคืนนี้ได้ตามคำบอกเล่าของคุณประสิทธิ์หลังทำใจได้บ้างแล้วว่าความจริงคณะของคุณประสิทธิ์มีมาด้วยกันทั้งหมด4คนออกมาเที่ยวล่าสัตว์ป่า ก, กันเองด้วยความคึกขนองและไม่มีพรานผู้ชานาญนําทาง เมื่อหลายวันก่อนขณะตั้งแคมป์พักแรมช่วงดึกๆเห็นมีอะไรมาดําๆมองๆนึกว่าเป็นสัตว์จึงพากันยิงออกไปเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆมาทราบตอนหลังว่าเป็นมนุษย์ผีหลังกลวงที่ลือกันต่างก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากจนตอนเช้าปรากฏว่าหนึ่งในคณะนอนลิ้นจุก ป, ปากตายลําคอเขียวช้ําเหมือนถูกบีบก็เริ่มสงสัยว่าอาจเป็นฝีมือของพวกผีหลังกลวงที่มาแก้แค้นจึงพากันหนีแต่ก็ไม่ไหวเผือถูกทุบตายด้วยหมายไปอีกคน จนทั้งสองคนมาพบเจอชาวบ้านป่าขอให้ช่วยพาออกจากป่าชาวบ้านคนนั้นเลยให้มาหาคณะของข้าพเจ้าที่บังเอิญอยู่ใกล้เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่กล้าบอกความจริงกลัวไม่ต้อนรับแต่สุดท้ายก็พลาดถูกค่าตายไปอีกคนเมื่อไอ้ผีหลังกลงตัวนี้แอบมาทุบด้วยก้นหินคุณประสิสธิ์ตื่นมาทันแต่ก็ช่วยหลานชายไม่ทันอย่างดีที่ขวาปืนยิงมันไปหลายนัดจนมันลากสังขารไปตายอยู่ใต้โคนต้นไม้ห่างออกไปนับหลาย19 ทุกคนรับฟังเรื่องราวที่คุณประสิทธิ์บอกเล่าด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกสิวสยองตื่นเต้นพลันพรึงขวัญผวาหรือน่าสนใจติดตามก็แยกจเป็นยายแต่ที่แน่ๆเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นฝันร้ายที่ใครก็แยกจะลืมจริงๆครับผมก็จบลงไปกับการพาเที่ยวป่าของคุณสุรชาติเทียนแก้วขอบคุณมากครับเรื่องราวที่ถ่ายทอดนี้ขอให้ทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงนะครับ คิดอะไรได้จากการฟังนํามาสอนตนเองได้ก็ดีครับถือว่าได้กําไรขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดรํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ